จเจริญพรถูกทุกท่านหลวงพ่อมาที่นี่นะจิตใจมีปีติปรับเริ่มเห็นพวกเราอย่างเคารพแน่นแฟ้นอยู่ในพระพุทธศาสนาการที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนานะั้นไม่ใช่เรื่องง่าย นานๆถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสล้สักองคหนึ่งแต่เวลาท่านตรัสล้ขึ้นมาแล้วเนี่ยพระศาสนาดำรงอยู่ได้ไม่นานก็มักจะสูญหายไปอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสร้างบารมีมาตั้งสี่อาสงไขยแสนมหากัปเอาธรรมะมาเผยแพร่ให้พวกเราได้ยินได้ฟัง ได้ประพฤติปฏิบัติตามแต่ศาสนาของท่านก็อยู่ได้ไม่กี่พันปีไม่นานก็จะหมดไปอีกนั้นโอกาสที่เราจะได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีบุญวาสนาพอเราไม่ได้ฟังธรรมะคนในโลกมีตั้งหลายพันล้าน ที่เป็นชาวพุทธแบบพวกเรามีไม่เท่าไหร่หรอมีระดับเป็นร้อยล้านสี่ห้าร้อยล้านเท่านั้นเองทุกวันนี้ศา ส, สนาพุทธในหลายๆประเทศก็เริ่มสุดโทรมลงไปคนไปติดอยู่ในวัตถุแข่งกันรวยแข่งกันแย่งชิงผลประโยชน์กันไม่รู้จัก การสแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจที่พวกเราอยางรู้จักอยู่นะหลวงพ่อเห็นแล้วหลวงพ่อก็คลื่มใจนะขออนุมโมทนากับพวกเราทุกคนนะการที่เราจะได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นขั้นแรกเลยเนี่ยเราต้องเปิดใจเราอย่าคิดว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยมันสมบูรณ์แล้ว ถ้าสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติเราเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะไม่ทุกข์แต่ทุกวันนี้เรายังไม่พ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นยังมีสิ่งที่จะต้องเรียนมีสิ่งที่ต้องรู้ต้องทําความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอีกหลายขั้นตอนอย่างพวกเรามาชุมนุมกันเรามาทําทานเรามาถือศีลเป็นเรื่องดี การทำทานการรักษาศีลมันเป็นพื้นฐานทำให้จิตใจเราสงบสุขสิ่งที่เราจะต้องฝึกต่อไปคือการภาวนาการภาวนาก็ไม่ใช่แค่นั่งท่องพุโทโธพุทโธนะเราต้องจับหลักของการปฏิบัติให้ได้แท้จริงแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีจุดหมายปลายทางเพื่อจะดับทุกข์ในใจเราให้หมดไป เพ้จุดหมายของการปฏิบัติของการเป็นชาวพุทธเราเนี่ยคือต้องไม่ทุกข์ในการที่เราจะไม่ทุกข์ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าเพราะเห็นกายเห็นใจนี้ตามความเป็นจริงจึงจะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพน้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว นพวกเรายัางไม่หลุดพ้นนะพวกเรายัางติดยังยึดถือกายยึดถือใจอยู่อย่างพวกเราจะรู้สึกว่าร่างกายนี้คือตัวเราร่างกายนี้เป็นของเราจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็เป็นตัวเราเป็นของเราเราจะต้องมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจให้ได้ การเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจตนเองนั้นนะเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่าไปตกใจว่าฟังมีสับแปลกๆน่ากลัววิปัสสนาวิปัสสนาจริงๆก็คือการเรียนรู้ตัวเองเท่านั้นเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเองตัวเราก็คือร่างกายจิตใจนี้ คนทั่วไปมีร่างกายก็คิดว่าร่างกายนี้คือตัวเราของเราเพราะไม่เคยเห็นความจริงของร่างกายจิตใจนี้ก็รู้สึกว่าจิตใจนี้คือตัวเราของเราเพราะไม่เคยเห็นความจริงของจิตใจพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราโอปัญยิโกน้อมกลับเข้ามาหากายหาใจของตัวเองมาเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจให้ได้ การที่เราจะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจได้นั้นขั้นแรกสุดนะเราต้องมีสมาธิที่ดีสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะอย่าแปลสมาธิว่าความสงบอันนั้นแปลผิดสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ง่ายๆก็คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัว ทำอะไรเราลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจตัวเองเขาเรียกว่าเราฟุงา้งซ่านเราไม่มีสมาธิางั้นตอนที่เราจะเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้นั้นเราจะต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนนะจิตใจของคนในโลกนี้มันล่องลอยตลอดเวลาเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปดมกลิน่นวิ่งไปลิ้มรส วิ่งไปรู้สัมผัสทางร่างกายวิ่งไปคิดนึกทางใจจิตใจของพวกเราทั้งหลายมันสนใจที่จะดูรูปสนใจที่จะฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายสนใจเรื่องราวที่เราคิดแต่เราละเลยที่จะสนใจร่างกายคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเราไม่สนใจ เราสนใจความรู้สึกทางใจแต่เราไม่สนใจจิตใจของตัวเองงั้นเราจะละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าตัวเราละทิ้งกายละทิ้งใจของตัวเองไปเมื่อเราไม่สนใจที่จะเรียนรู้กายรู้ใจนะใจมันหลงออกข้างนอกครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าส่งจิตออกนอกเราสนใจที่จะดูคนอื่นสนใจที่จะฟัง สิ่งที่คนอื่นพูดแต่เราไม่สนใจความรู้สึกภายในของตัวเองหรืออยู่เฉยๆอยู่ดีๆก็คิดโน้นคิดนี่ไปเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราไม่ได้อยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องปลูกตัวเองให้ตื่นหลุดออกมาจากโลกของความคิดความฝันให้ได้ออกมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวให้ได้ อย่างขณะ น, นี้บางทีพวกเราก็เมือเมื่อไปบางทีก็ใจลอยคิดนอน่นคิดนี่ไปทำยังไงใจเราจะตื่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาได้ให้เราคอยรู้เท่าทันเวลาใจมันหนีไปใจมันหนีไปดูรูปก็ให้รู้ทันใจมันหนีไปฟังเสียงก็ให้รู้ทันใจมันหนีไปคิดก็ให้รู้ทันอย่ามัวแต่รู้เรื่องที่คิด การรู้เรื่องที่คิดนั้นไม่แปลกคนที่เขาไม่ปฏิบัติเขาก็รู้ว่าคิดอะไรของเราเป็นนักปฏิบัติเราสนใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้รู้แค่เรื่องที่คิดสิ่งที่สำคัญกว่าเรื่องราวที่เราคิดก็คือการรู้ว่าจิตกำลังคิดรู้ว่าจิตกำลังหลงไปคิดรู้ว่าจิตกำลังหลงไปดูรู้ว่าจิตกำลังห ล, ล, ลงไปฟังจิตเราหลงอยู่ตลอดวัน อย่างเราเห็นรถติดมากๆนะเราสงสัยว่ารถชนกันหรือเปล่าเราก็หันไปดูในขณะที่เราไปดูเนเราดูถนนดูรถยนต์เรามีกายเราลืมกายเรามีใจเราลืมใจนะนี่เรียกว่าเราขาดสตินะเราหลงลืมกายลืมใจเรียกว่าขาดสติจิตใจเราฟุ้งซ่านออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายฟุ้งซ่านไปในเรื่องราวของการคิด อันนั้นเรียกว่าเราขาดสมาธิถ้าเราอยากรู้จักพระพุทธศาสนาอย่างทองแท้เราจะต้องพัฒนาสติและสมาธิให้เกิดบ่อยๆนะสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากจิตจาสภาวะได้แม่นงั้อเราต้องหัดดูสภาวะบ่อยๆสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมก็คือกายกาใจของเรานี่เองอย่างขณะ น, นี้ร่างกายเรานั่งอยู่ เราก็มีสติร um, <ijo land uar ine> ู <id> ้ว่า like ร่างกายนั like ่งรูปนี้รูปร่างกายนี้มันนั่งอยู่ขณะนี้มันหายใจออกขณะนี้มันหายใจเข้าเราก็มีสติรู้ว่าร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าแต่ถ้าเราขาดสติเราก็มัวแต่คิดโน่นคิดนี่หรือคุยสนุกสนานไปเราไม่เห็นร่างกายกำลังนั่งเราไม่เห็นร่างกายกำลังหายใจอย่างนี้เรียกว่าเราขาดสตินะ เราขาดสติงั้นต่อไปนี้ร่างกายเรานั่งอยู่เรามีสติรู้ว่าร่างกายนั่งร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเรามีสติคอยตามรู้ไปไม่ใช่หายใจก็หายใจส่งเดชไปหายใจไปใจฟุ้งซ่านใจลอยไปอย่างนั้นเรียกว่าเราไม่ได้สาระแกนสารของการปฏิบัติธรรมเลย ถ้าเราทิ้งสติสัอย่างเดียวเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรเหลือแล้วครูบาอาจารย์ใหญ่นะที่หลวงพ่อศึกษาในสายของท่านคือหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนนะบอกว่าได้จิตนะได้จิตได้ใจคือได้ธรรมะนะแจิตใจหายไปก็คือไม่ได้ธรรมะจิตใจของเราหายทั้งวันหายไปตอนไหนหายตอนไปดู ไปฟังนะไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สิ่งที่สัมผัสร่างกายให้ไปตอนที่หลงไปคิดนะใจมันหายไปตอนที่เราหลงไปคิดงั้นเราพยายามคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไว้บ่อยๆจิตใจหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปดูรู้ทันจิตห ล, ลงไปฟังรู้ทันยังขณะที่ฟังหลวงพ่อเทศเนียสังเกต จ, จิตใจของเราไปเลย บางทีก็มองหน้าหลวงพ่อใช่หไหมที่จิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อเนี่ยให้รู้ทันว่าจิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อเนี้ยางทีก็ตั้งใจฟังรู้เรื่องราวที่ฟังแต่ว่าเราลืมตัวเองว่าขณะนี้ยกายใจของเราเป็นยังไงบางทีเราก็ไปคิดโน้นคิดนี่เวลาเราคิดโน้นคิดนี่เรารู้เรื่องที่คิดแต่เราลืมกายลืมใจของตัวเอง งั้นต่อไปนี้เราจะไม่ใช่คนลืมกายลืมใจเราจะมีสติอยู่กับกายอยู่กับใจเวลาจิตใจเราหนีไปอย่างมันหนีไปคิดเนยเรามีสติรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดสมาธิจะเกิดขึ้นทันทีนทันทีที่เรามีสติรู้ว่าจิตไหลไปจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติสมาธิจะเกิดคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว นี้พอเรารู้สึกกายรู้สึกใจได้แล้วเนี่ยเรียกว่าจิตเรามีสมาธิแล้วก็มีสติที่ดีละต่อไปก็ถึงขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติเรียกว่าขั้นเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ใช่การนั่งคิดเรื่องกายเรื่องใจนะไม่ใช่การคิดธรรมะไม่ใช่การคิดเรื่องใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรการเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการเห็นความจริงนะของร่างกาย การเห็นความจริงของจิตใจอย่างเรานั่งอยู่อย่างเนี้ยเรารู้สึกอยู่เห็นร่างกายเรานั่งอยู่เนี้ยนั่งดูไปเรื่อยๆนะไม่ต้องกังวลว่าจะเจริญปัญญายัางไงนั่งไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวเดียวก็เมื่อยนะเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยนะความปวดความเมื่อยมันเกิดขึ้นในร่างกายมันบีบคั้นทําให้เราต้องขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อนหนีความทุกข์ไป เนั้นจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจะนั่งอยู่ก็ทุกข์นะต้องขยับไปขยับมาจะยืนจะเดินจะนอนก็ทุกข์กลางคืนนอนก็ต้องนอนพลิกซ้ายพลิกขวาเพราะมันทุกข์แต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยสนใจในร่างกายของเราเองมันทุกข์เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เดีย๋ยวมันเมื่อยขึ้นมาเราก็พลิกซ้ายพลิกขวาแก้เมื่อยไปแล้วเรายังไม่ทันเห็นเลยว่ามันทุกข์เพฉะนั้นต่อไปนี้นะ คอยรู้สึกอยู่ในร่างกายตัวเองเรื่อยๆร่างกายมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาก็คอยรู้ทันรู้แล้วค่อยเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ทีหลังค่อยขยับก่อนจะขยับเนะี่ยรู้ซะก่อนว่ามันทุกข์เนี่ยคอยดูความจริงไปนะร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์พอเราเห็นซ้ำๆๆไปเรื่อยๆเนะี่ยต่อไปความยึดถือในร่างกายนียมันจะลดลง ที่ผ่านมาเราคิดว่าร่างกายเป็นของดีเป็นของวิเศษเราห่วงแหนในร่างกายนี้มากแต่ถ้าเมื่อไร่เรามีสติเรียนรู้อยู่ในร่างกายนี้เนืองๆดูบ่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่ของที่น่ารักไม่ใช่ของที่น่าห่วงแหนมันคือตัวทุกข์แท้ๆเลย ท้ามไรเราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะพอร่างกายมันแก่เราจะไม่รู้สึกว่าเราแก่แต่เราจะเห็นว่าตัวทุกข์มันแก่สมน้ำหน้ามันเวลาร่างกายมันเจ็บป่วยเราจะไม่รู้สึกว่าร่างกายของเราเจ็บป่วยแต่เราจะรู้สึกว่าตัวทุกข์มันเจ็บเวลาจะตายก็ตัวทุกข์จะตายไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษตายเพราะฉะนั้นเราจะไม่หวงแหนในร่างกายนี้ เมื่อเราไม่รักใคร่ห่วงแหนในร่างกายนี้เราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกต่อไปเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายนะจิตใจเราจะไม่มีความทุกข์เพราะเราเห็นความจริงมาตั้งแต่ก่อนจะตายแล้วนะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์เนี่ยเรียนรู้ลงไปนะในร่างกายเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นมันสแสดงให้เห็นความทุกข์อยู่ตลอดเวลา หายใจเข้าก็ทุกนะหายใจออกก็ทุกนะพวกเราลองหายใจเข้าสิอย่าหายใจออกนะหายใจเข้าเยอะยๆเลยนานๆดูสิทุกหรือสุขหายใจเข้าไปอย่าหายใจออกนะทุกไหมแป๊บเดียวแค่นี้ก็เห็นทุกแล้วนะเอาหายใจออกอย่าหายใจเข้าทุกไหมแค่นี้ก็เห็นแล้วนะ ที่จริงแล้วร่างกายเราเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเรามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเรามีสติรู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนเราก็จะเห็นว่าร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกๆุกอิริยาบถนั่งอยู่ก็ทุกยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ทุก ถ้าเราเคลื่อนไหวเราหยุดนิ่งเคยดูเคยรู้ไปนะอันนี้เราจะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไปถ้าจะอยากเห็นทุกข์ง่ายๆก็ดูหายใจไปยืนเดินนั่งนอนไปเรียนรู้อย่างนี้นะถือจะเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนะพวกเราอย่าเข้าใจผิดว่านั่งหลับตาเงียบๆ เ, เดินจงกรมให้จิตสงบอย่างนั้นเป็นแค่สมถกรรมฐานเป็กรรมฐานเบื้องต้นเท่านั้นเอง จุดสำคัญคือวิปัสสนากรรมฐานแครเรียนให้เห็นความจริงของร่างกายจิตใจอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อสอนให้ดูความจริงของร่างกายว่าร่างกายเนี้มันถูกความทุกข์บีบขั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกทุกอิริยาบทถ้าเราคอยดูนะต่อไปเราจะยึดถือในร่างกายนี้น้อยลงน้อยลงนะ พอเราไม่ยึดถือร่างกายเนะี่ยร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายจิตจะไม่หวั่นไหวความทุกข์มันจะเข้ามาถึงแค่ร่างกายแต่ความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงจิตใจอีกพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะบอกว่าคนทั่วๆไปเนี่ยเวลาร่างกายเจ็บป่วยเนะี่ยมันเจ็บป่วยทางใจซ้ำสองเข้าไปอีกนะมันซ้ําซ้อนลงไปอีกทีหนึ่งร่างกายป่วยใจก็พลอยป่วยไปด้วย แต่พวกเราเชาวพุทธลูกหลานพระพุทธเจา้าร่างกายเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่จิตใจของเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ป่วยตามร่างกายไปเราจะรักษาใจของเราเอาไว้ได้นะมีความสงบมีความสุขมีความสันตินะอยู่ได้ในทุกๆสถานการณนะ์จะแก่จะเจ็บจะตายก็ยังมีความสุขอยู่ไดนะ้ขอให้เห็นความจริงของร่างกายเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกาย มีอีกส่วนหนึ่งของการเจริญปัญญาคือการเห็นความจริงของจิตใจการเห็นความจริงของจิตใจนะเราสังเกตที่ใจเราใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเราเดี๋ยวก็ดีใจเราเดียดเเด๋ยวก็โลภโกรธหลงมันโลบขึ้นมาคอยรู้ทันนะมันอยากอยา ก, อยากได้อันโน้นอยากได้อันนีนะ้ให้รู้ทันว่าใจมันอยากมันโกรธขึ้นมาก็รู้ทันว่าใจมันโกรธ มันฟุ้งซ่านรู้ทันว่าใจมันฟุ้งซ่านมันหดหูรู้ทันว่าใจมันหดหูค่อยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆความรู้สึกทั้งหลายมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเข้ามาในจิตใจของเราทั้งวันพอตาเรามองเห็นใจของเราก็เปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงใจของเราก็เปลี่ยนอย่างเราได้ยินเสียงคนชมใจเราก็พองดีใจได้ยินเสียงคนด่าเรา ใจมันโกรธขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนให้คอยรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตนเองบ่อยๆนะต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าความสุขที่เกิดขึ้นในใจก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจก็เป็นของชั่วคราวนะความดีเกิดขึ้นในใจก็ชั่วคราวอย่างเราอยากฟังธรรมะเนี่ยพอฟังนะใจเป็นกุศลอยากฟังธรรมะ ฟังไปฟังไปชักเบื่ออยากกลับบ้านแล้วเนี่ยใจเปลี่ยนจากกุศลมาเป็นอกุศลแะแล้วค่อยอ่านใจตัวเองไปใจเราเป็นกุศลก็รู้ใจเราเบื่อก็รู้นะใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงค่อยรู้ไปเรื่อยๆการที่เราค่อยเรียนรู้ใจของตัวเองเรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นว่าความสุขที่ผ่านเข้ามาในใจเราเป็นของชั่วคราวความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในใจเราก็เป็นของชั่วคราว กุศลที่ผ่านเข้ามาในใจเราก็เป็นของชั่วคราวโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านโหทู่ที่ผ่านเข้ามาในใจเราก็เป็นของชั่วคราวดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเป็นหลายๆวันหลายๆเดือนหลายๆปีดูจนจิตมันเข้าใจความจริงว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้รับรู้นะั่นนะเป็นของชั่วคราวทั้งหมดสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปพอเราเห็นอย่างนี้ต่อไปใจเราจะเข้าสู่ความสงบ สู่ความสันตินะเป็นกลางพอเราเห็นแล้วว่าความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวเวลาความสุขเกิดเราก็ไม่หลงดีใจเวลาความทุกข์เกิดเราก็ไม่เสี ย, ใ จ, จยใจเราจะเท่าเทียมกันใจเราจะเท่าเทียมกันต่อทุกสิ่ทุกอย่างต่อสุขและทุก์ต่อดีและชั่วใจที่มันเท่าเทียมกันมันจะหมดการดิ้นรนนะมันจะเข้าถึงความสงบสุขได้ งั้นเราพยายามเรียนรู้ร่างกายนะให้เห็นร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เรียนรู้จิตใจไปให้เห็นมันเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเฝนะ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้าอีกไปต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตใจจิตใจเราจะไม่หวั่นไหวอย่างความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยคนที่ไม่ได้ภาวนานะจะเป็นจะตายแล้วบางคนมีความทุกข์ก็ไปผูกคอตายไปกินยาตายนะ ตายไปก็ไม่พ้นหนาะตายไปก็ไม่พ้นออกก็ยังทุกข์ไม่หายนะยิ่งทุกข์นานยิ่งกว่าเป็นคนเสียอนะึแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นเลยนะความทุกข์เป็นของชั่วคราวงั้นเวลาความทุกข์เกิดขึ้นยนะใจจะไม่หวั่นไหวเวลาความสุขเกิดขึ้นคนในโลกเนี้พอมีความสุ ข, ขก็หลงระเริงนะเพลิดเพลินลืมตายเลยนะเอาแต่ความสุขหลงเพลิดเพลินไป แต่เราเคยปฏิบัติธรรมมีสติมีปัญญาแล้วเราเห็นความจริงะความสุขทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาความสุขเกิดขึ้นเราไม่หลงยินดีเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราไม่หลงยินร้ายจิตมันก็เข้าสู่ความเป็นกลางจิตเข้าสู่ความเป็นกลางจิตก็หมดความดิ้นรนนะหมดความปรุงแต่งในที่สุดมันก็เข้าถึงธรรมะ ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีจริงๆนะมรรคผลนิพพานมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีท่านสอนเกยวทั่งวิธีปฏิบัติให้เราได้มรรคผลนิพพานที่เราทําบุญกันเราก็อธิษฐานนะขอให้เป็นปัจจัยให้ถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอะไรเงี้ยเอาปัจจุบันเลยไม่ต้องอนาคตหรอกนะฝึกตัวเองตั้งแต่วันนี้เราก็ใกล้พระนิพพานเข้าไปทุกทีทุกที อยากได้พระนิพพานต้องเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกนะบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศีลด้วยทานด้วยสมาธินะทานศีลสมาธินั้นเป็นบาตรเป็นฐานเพื่อกูลให้เราเจริญปัญญางั้นเราจะต้องเจริญปัญญาคือเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ได้ถ้าเราเข้าใจนะมีปัญญาท่องแท้ในกายในใจนี้ จิตจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเราจะไม่ต้องสวดขอพระนิพพานอีกต่อไปแล้วนะจิตมัจะเข้าถึงพระนิพพานจริงๆวิธีที่จะปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานโดยเร็วนะก็คือขั้นแรกถือศีลห้าไว้ก่อนข้อที่สองทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ภาวนาปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมให้จิตใจมันมีกาลังนะ คอยเฝ้ารู้เฝ้าดูเช่นเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้สึกจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้สึกเนี่ยเฝ้ารู้อย่างนี้นะจิตใจมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาจะได้สมาธิขึ้นมาเมื่อวานก็มีคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะบอกนั่งสมาธิตั้งหลายปีแล้วมันไม่ได้ก้าวหน้าเพราะมันไม่มีหลักของการทำสมาธินะ่ะ หลักของการทำสมาธิก็คือจิตตศิกขาการเรียนรู้จิตตนเองเราต้องคอยเรียนรู้จิตตนเองไปพุโทโธไปก็ได้หายใจไปก็ได้ไหวพระสวดมนต์ทำกรรมฐานอะไรก็ได้แต่ถ้าพอพุโทโธไปหายใจไปหรือทำกรรมฐานแล้วจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นนให้รู้ทันจิตการรู้ทันจิตตนเองนะเรียกว่าจิตตศึกขา สิ่งที่ตามมาจากจิตศิกษาคือการได้สมาธิที่ถูกต้องคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับตัวเองพอจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วก็เจริญปัญญาร่างกายนั่งอยู่ก็รู้ร่างกายหายใจก็รู้ร่างกายจะขยับเขยื้อนยังไงก็รู้ความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นในกายก็รู้ความสุขทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้ความดีเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้ ความโลบโกรดหลงเกิดขึ้นในใจก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆเพื่อวันหนึ่งเราจะได้เห็นว่าทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยเป็นของชั่วคราวนะไม่มีอะไรคงทนถาวรสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะพระโสดาบันไม่ได้เห็นอะไรมากนะพระโสดาบันท่านเห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับแต่ต้องเห็นด้วยใจจริงๆด้วยการดูแล้วดูอีกนะ งั้นเราแบ่งเวลาไว้เลยทุกวันเราทำในรูปแบบนะแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์สักครึ่งชั่วโมงหรือย0สบนาทีทุกวันนะหายใจไปหรือเดินจงกรมไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจไปอย่าหายใจอย่าเดินจงกรมเพื่อบังคับใจให้นิ่งจิตใจมันเหมือนเด็กยิ่งบังคับมันยิ่งดือ้อนะแต่เราแบบชำเลืองชำเลืองดนะูอย่างเด็กมันจะสนเนี้ยผู้ใหญ่ชำเลืองดูนะมันก็ไม่กล้าสน จิตนี้ก็เหมือนกันมันจะหนีไปเนงะี้ยเราคอยแอบดูนะอ้าวจะหนีแล้วเหรอแค่เนี้ยมันไม่หนีละแต่ถ้าเราบอกอย่าหนีนะอย่าหนีนะมันยิ่งดื้อใหญ่เลยงั้นเวลาที่จะเรียนรู้จิตใจตัวเองนะอย่าบังคับมันอย่างขณะเนี้ยพวกเราครึ่งห้องหันไปทางนี้แล้วรู้สึกไหมมีพระเดินมาใจเราวิ่งไปที่พระแล้วอย่างนี้เรียกว่าหลงไปดูนะขณะที่หลงไปดูเห็นพระเดินมาใจเราไปอยู่ที่พระ มีกายลืมกายมีใจลืมใจเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิแล้วนะแล้วจิตเราไปจดจ่อออกข้างนอกไม่ได้ดูกายไม่ได้ดูใจตัวเองเรียกว่าเราไม่ได้เจริญสติปัฏฐานเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองงั้นทำอย่างที่หลวงพ่อบอกให้ได้นะทุกวันต้องรักษาศีลห้านะจะรักษาศีลแปเป็นครั้งคราวก็อนุโมทนาด้วยนะทุกวันต้องทาในรูปแบบ ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าจะนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตตนเองไปเรื่อยๆแล้วอันที่สามอันนี้สำคัญที่สุดนะหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันนี้สำคัญที่สุดเลยเราอยู่ในโลกข้างนอกอย่างเนี้ยเราคอยมีสติไว้เวลาตาเราเห็นใจเราเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมารู้ทันใจ หูเราได้ยินเสียงใจเรารู้สึกอะไรขึ้นมารู้ทันที่ใจนะใจเราคิดมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันจิตใจของตัวเองไปจะเห็นว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเนี่ยเฝ้ารู้อยู่อย่างนี้อยู่ในชีวิตธรรมดานี้แหละงั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเก่งเฉพาะตอนนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ในชีวิตประจำวันยังเผลอยังหลงอยู่เนี่ยเรายังไกลต่อมรรคผลนิพพาน นะถ้าเราอยากได้มาผลนิพพานเร็ ว, รวนะรักษาศีลห้าทุกวันแบ่งเวลาไว้นั่งสมาธิเดินชงกลมนะแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองไม่ใช่นั่งให้สงบนะตื่นเกินไปอันนั้นนั่งแล้วคอยรู้ทันใจเวลามันฟุ้งซ่านแล้วมันจะสงบเองนะอันที่สามก็คืออยู่ในชีวิตประจาวันนีมีสติคอยรู้ทันใจของเราเองไปเห็นหน้าคนนี้เกลียดรู้ว่าเกลียเห็นคนนี้รักรู้ว่ารัก นะเห็นหมาวิ่งมานะกลัวรู้ว่ากลัวเนะี่ยรู้ทันใจตัวเองอย่างนี้ถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้นะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรเนี้ยทำได้ต่อเนื่องนะเราควรจะได้ธรรมะในชีวิตนี้แหละไม่ต้องรอไปชาติไหนหรอกนะพยายามเข้านะหลวงพ่อมานี้มาเป็นกําลังใจให้ พ, พี่น้องทั้งหลายนะเราพี่น้องชาวพุทธด้วยกันลูกพ่อแม่เดียวกันเป็นลูกพระพุทธเจ้าด้วยกัน ก็มาให้กำลังใจให้พวกเราตั้งอกตั้งใจสร้างความดีไปนะแล้วก็เจริญสติเจริญปัญญาไปเรื่อยๆเราจะได้พ้นทุกขนะ์คนไหนเขาไม่มีโอกาสไม่มีบุญวาสนาได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเขายัางพ้นทุกข์ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้หรอกนะเราช่วยตนเองนะให้พ้นทุกข์ซะก่อนแล้วพอเราเข้าใจเราก็บอกต่อ อย่างท่านรัฐมนตรีนะท่านไปเรียนที่วัดหลวงพ่อท่านน่ารักมากนะท่านไม่เบ่งเลยว่าฉันเป็นรัฐมนตรีนะเวลาไปที่วัดหลวงพ่อก็ไม่เรียกตำรวจนำไปเรียกนำไปก็นำได้อยู่นะท่านไปแบบธรรมดาที่สุดเลยไปนั่งเรียนเหมือนที่พวกเราเรียนนะพะท่านเข้าใจรู้หลักการอะไรนะเนี่ยท่านก็เลยนิ ม, มนต์หลวงพ่อมาที่นี่นะเพื่อ เพื่อแร่ธรรมะให้กับพวกเราบ้างพวกเราบางคนเดินทางไปหาหลวงพ่อที่ชนบุรีนะไปไม่ไหวนะงั้นวันนี้หลวงพ่อเทศเท่านี้ก็แล้วกันนะรู้สึกจะยาวเกินไป